ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสมบัตชญัญะรู้ตัวอยู่ในขณะนี้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรรู้ทั่วกาย ในวันนั้นก็ต้องเฮ่งเข้าไปหาจิตจิตตั้งอยู่อย่างไรต้องกำหนดรู้ในว่ารู้เรื่องตัวเองนั่นแหละไม่ใช่จิตมีสองดวงนะมีดวงเดียวจิตรู้จิตก็ว่า ความประสงค์ที่การทำสมาธิภาวนาก็ประสงค์อย่างว่านี่แหละประสงค์ให้จิตรู้จิตอย่าไปรู้อย่างอื่นให้มากกว่าทนรู้ตนในขั้นต้นนี้นะ ถ้าหากว่าตนเองยับยั้งตนเองไม่ได้จิตมันจะไม่อยู่เลยมันจะคิดซ่านไปทั่วของดีในชีวิตนี้มันก็มีอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละ อันอื่นก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าดีแท้ๆนะกับจิตดวงนี้แต่ว่ามันต้องฝึกนะกลัวว่ามันจะดีได้จิตนี้นะถ้าไม่ฝึกจะปล่อยให้มันดีเองนะมันไม่ได้เห <c oughs> มือนอย่างไม้จเจ้าไม้ทั้งดุนมาทำเสาเรือนอย่างนี้ใครเขาไม่ทำกัน นอกจากทาชั่วคราวถ้าทำอย่างถาวรเนะ่ต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกจนหมด เ, เหลือแต่แก่นของมันเอามาทำเสาเรือนก็จึงทนทานถาวรไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนทั้งคนก็มีจิตเป็นแก่นมันนี้จิตมันจะเป็นแก่นได้มันก็ต้องถากเปลือกถากกระพี้ของจิตออกสะก่อนเปลือกกระพีได้แก่กิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันหุ้มห่อจิตนี่อยู่ เนื้อนำจิตนี้ให้มาเกิดอาศัยขันห้าอันนี้อยู่ถ้าไม่มีกิเลสหุ่มห่อจิตนี้จิตนี้ก็ไม่ได้มาเกิดมาอาศัยร่างอันนี้อยู่ พ, พิจารณาให้มันเห็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าคนเราพึ่งรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นอันนี้ก็หมายเอาจิตนี้เองเนี่ยรักษาจิตตรงนี้ให้มันดีไว้อย่าให้จิต นี่มันหลงมันเมาไปในเรื่องที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษต่างๆเมื่อตนมีความประสงค์อย่างไรมื่อแต่เบื้องต้นมาท yes. bon ี่มานับถือพุทธศาสนานี่พวมมุ่งหวังก็เพื่อเอาเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่ใช่อย่างอื่นใดพุทธศาสนานี่แนะนำให้คนเรามีที่พึ่งทางใจในทางโลกแล้วนะเขาแนะนำกันให้มีที่พึ่งทางกายเช่นให้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการหาเงินหาทอง โดยอาศัยความรู้ขแขนงต่างๆนั่นเดียวว่าความรู้ในทางโลกมันเป็นที่พึ่งทางร่างกายความรู้ในทางธรรมเป็นที่พึ่งทางใจความรู้เรื่องในการให้ทานอย่างนี้นะไม่ใช่แต่รู้แต่ให้ทาน เป็นเท่านั้นยังรู้คุณค่าแห่งการให้อีกด้วยเมื่อตนได้ให้ทานออกไปแล้วก็ได้ความอุ่นใจว่าผลแห่งการให้นี่จากอํานวยให้เรามีความสุขความสบายใจถ้าพูดถึงผลภายนอกแล้วก็ ได้แก่เป็นผู้มีมิตรจิตมิตรใจกันอยู่เป็นจำนวนมากบุคคลใดเป็นคนไม่ตนันีรู้จักให้รู้จักแบ่งสรรพันส่วนในคนที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรให้จะนี้ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยญาติมิตรสหาย เพื่อนฟุ้งที่ดีงามไปที่ไหนก็ไม่ไม่อดไม่อยากมีผู้เมตตาเอ็นดูสงสารอันนี้อา น, นิสงส์แห่งการให้ในปัจจุบันมันย่อมปรากฏอย่างนี้ทำให้ได้รับความอุ่นใจ ในปัจจุบันนี่แหละแต่อนาคตนั้นมันก็ให้ผลหลายเท่าตัวเหมือนอย่างผลต้นไม้ที่มีผลมเมล็ดพืชมีมเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่เอาเพาะลงในดินเวลามันจเจริญงอกงามขึ้นมา มันพริดอกออกผลแล้วไม้ต้นเดียวมีผลตั้งเป็นร้อยเป็นพันที่มันออกให้เจ้าของผู้ปลูกได้รับประทานหรือได้ซื้อได้ขายอันนี้ผลทานนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละที่มันจักอำนวยผลให้ในการต่อไป <c oughs> นี่แหละ ในทางทมข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะีมันทำให้เกิดความอุ่นใจอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งผลทานที่บุคคลกระทาบําเพ็ญในต ใ, ในอดีตมานน่นเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้มันอำนวยผลให้ ได้อะไรก็ได้มาอย่างง่ายดายไม่ลำบากเลยผลทานในอดีตมันโดนบันดาลให้ไม่ลำบากลำบนใจอย่างไดทรัพสมบัติอันใดที่หามาได้โดยนาพักนาแรงต้องออกแรงต้องอาบเหงื่อตั้งน้ำจึงได้ทรัพ์สมบัติอ น, นั้นมา อันนั้นไม่ใช่บุญบรรดาได้มาด้วยกำลังกายด้วยกำลังความคิดปัญญาส่วนผลบุญที่บุคคลกระทำในอดีตนั้นมันมาอำนวยให้อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นทุกอย่างได้มาได้สมบัติอะไรมาก็ได้มาอย่างง่ายๆได้มาโดยทางบริสุทธิด้วย ผ <c oughs> นแห่งการรักษาสินในปัจจุบันก็มองเห็นได้ชัดๆคนมีสินยอมเป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะผู้มีสินนี่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังในความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้ผิดสิน เมื่อไม่ผิดศีลมันก็ไม่ผิดใจคนถ้าไปทำอะไรผิดศีลก็ผิดใจคนเหมือนกันลองสังเกตดูเช mm hmm. ่นศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะ mm hmm. ก็ไปทุบไปตีเขาเนี่ย mm hmm. เขาก็ย่อมโกรธเอาหรือไปด่าไปว่าเขาํำ เจ็บคำแสบเข้าไปเขาก็โกรธไม่พอใจนี่เน่ยใน บ, บุคคลผู้ทาผิดศีลมันก็ผิดใจคนเลยถือเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตให้เมื่อเขารู้เขา้าเขาก็ไม่พอใจเขาก็โกรธเอา <c oughs> สามีภรรยาของใครใครก็หวงแหนรักใครมม่นี่คนเจ้าชู้มายาเน่ะไปตีสนิทหลอกลวงเข้าไปให้เขาหลงเชื่อหลงรักใคร่ตนให้เขายอมทิ้งสามีเขาไปกับตนหรือว่าให้เขายอมทิ้งภรรยาเขาไปกับตนอย่างนี้นะ เจ้าของเขารู้เขา้าเขาก็ไม่พอใจเขาก็โกรธเอาก <c oughs> ารกล่าววาจาไม่ไพเราะหรือกล่าวคำหลอดและเลวไหลหาคนสัตว์คนจริงไม่ได้เมื่อนีใครได้ยินได้ฟังเข้าไปไ ด, ได้รู้ภายหลังว่าผู้นี้มีวาจาหลอดแหละ พูดไม่จริงเขาก็เกลียดเขาไม่พอใจเนืรอชอบพูดคำหยาบกระทบกระทั่งผู้อื่นบ่อยๆใครก็ไม่ชอบขี้หน้ามีแต่คนเกลียดชังการดื่มเหล้าเมาสุราของเสพติด ต, ต่างๆมุนิ <c oughs> อันนี้ไอ้พวกท่องเสษเหมือนกันมันก็พอใจกันเนี่ยชอบพอกันแต่ว่ามันชอบพอกันเมื่อเวลาไม่มีเหตุนะเธอมเวลามีเหตุมาถึงเขาแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปคนผู้ดีทั้งหลายยิ่งไม่ชอบคนดื่มของมือนเมา เพราะแสดงกิริยาหยาบโรนต่างๆนานาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรื่นเึิงบันเทิงเลยคำพูดคำจากิริยาท่าทางล้วนแต่ไม่น่าดูทั้งนั้นอันนี้เหลเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อทำผิดศีลพูดผิดศีลแล้วมันก็ผิดใจคนนั่นเอง <c oughs> ทีนี้มันก็มาจากดวงจิตบ้านี้เมื่อจิตไม่มีศีลแล้วกายวาจามจะมีศีลได้อย่างไรจิตเจ ต, ตนาที่จะล่วงละเมิดในพุทธบัญญัตินั้นๆแล้วเช่นนี้ น, นนะมันก็ใช้กายทําใช้วาจาพูดไปในทางผิดศีลผิดธรรมไปเห็นชื่อว่าสําคัญมันอยู่ที่จิตนั่นแหละ ถาจิตมีศีลมีหิริโอตตปะธรรมอยู่ในใจละอายต่อการทำชั่วทางในที่รับและในที่แจ้งกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็มีศีลและไม่กล้าล่วงละเมิดพุทธวญญัต่างๆ นี่ต้นสินแท้แท้มันจึงชื่อว่าอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นผู้ใดรักษาใจของตนได้ก็รักษากายรักษาวาจาได้ก็มีสินก็มีธรรมย่อมเป็นที่รักที่นับถือที่เคารพจากผู้อื่นใครก็ต้องการจะคบหาสมาคม คนที่มีศินมีธรรมอย่างนั้นอันนี้เนะี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้คนเรารักษาความดีของตนไว้ให้เหมือนกับเกลือมันรักษาความเค็มธรรมดาเกลือเนะ่ะจะไปจมอยู่ในดินมันก็มีความเค็มอยู่ในในดินนั่นเนี่ยจะเอาละลายลงไปน้ำ มันก็ไปเค็มอยู่ที่น้าทำน้ำนั้นให้เค็มอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละบุคคลผู้รักษาความดีของตน ไ, นได้จะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมันก็ความดีก็ปรากฏอยู่ในที่นั้นเป็นที่สนเสริญเยนโยของคนทั้งหลาย คนทั้งหลายยอมเคารพยำเกรงอีกอย่างหนึ่งพระศาสดาทรงสอนให้คนเรารักษาความดีของตนไว้เหมือนกับตัวแรดมันรักษาหนอของมันไว้ธรรมดาแรดนี่มันสงวนนัหนอของมันอะ <c oughs> ถ้ามโนว่าคนจะเอาหนอของมันอย่างนี้มันจะต้องหนีต้องพ่ายหรือต้องสู้เอาจนสุดฤทธ์เลยจนตัวตายนั่นเองมันจะไม่ยอมให้ได้ง่ายๆเลยแม่ช้างก็เหมือนกันนะมันก็รักษางาของมันไวเป็นอย่างดี <c oughs> <c oughs> ฉันใดพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทรักษาความดีของตนไว้อย่าให้เสื่อมก็ฉันนั้นดังนั้นขอให้พึ่งพากันพิจารณาตามพุทธโอวาทศาสน า, าดู ว่าทำไมพระศาสดาจึงทรงสอนให้รักษาความดีของตนไว้ก็เพราะตนจะมีความสุขได้ในขั้นใดๆอาศัยความดทีที่ตนทำนี้เท่านั้นเราจะไปให้สิ่งอื่นนั่นมาทำตนให้มีความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้พระศาสดา พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้แนะนำย้ำแล้วย้ำอีกให้คนเรานั้นเชื่อมั่นในความดีที่ตนกระทำนี่ให้เต็มร้อยเอร์เซนเลยอย่าไปเชื่ออย่างอื่น เมื่อตนทําความชั่วยอย่างนี้นะมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์มันเห็นได้ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่เฉพาะแต่จะไปเห็นผลในเบื้องหน้าในชาติหน้าเท่านั้นก็เห็นในปัจจุบันนี้เองคนผู้ร่วงศีลล่วงธรรมดังกล่าวมานั่นนะ่ะ นั่นแหละมันถึงได้เบียดเบียนกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่เบียดเบียนกันไม่ถึงตายก็ทุกพลภาพหรือเบียดเบียนสมทรัพย์สมบัติของกันและกันเบียดเบียนสามีภรรยากันในทางชู้สาวเอา้าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์เดือดร้ อ, รอน <c oughs> อย่างรุนแรงแท้กับเบียดเบียนชีวิตถึงล้มถึงตายอันบุนี่มันก็เกิดจากความเป็นผู้ไม่สำรวมจิตไม่รักษาจิตรตรงนีเนะี่ะปล่อยให้กิเลสมันครอบงามย่ำยีเอาปล่อยให้กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีก็คนเกิดมาในโลกนี่เมื่อเพ่งที่นาถึงความต้องการปรารถนาแล้วไม่มีอย่างอื่นใดปรารถนาความสุขอย่างเดียวเนี่ย ต้องการเงินทองเข้าของก็อยากจะได้มาใช้สอยให้มีความสุขสบายแต่คนส่วนมากมักจะต้องการด้ความสุขชั่วคราวจึงใน ด, ดินหาทั้งแต่เงินแต่ทอง <c oughs> เข้าใจว่าเงินทองนั้นจะให้ความสุขแก่ตนไปยืดยาวนานแท้ที่จริงแล้วมันก็ให้ความสุขได้ เพีงแต่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองนะบางทีก็ไม่ถึงชั่วชีวิตซ้ำถูกจรเข้ามาป้นมาแย่งเอาอไปเสียจนหมดก็มีมันไม่นึกถึงทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเลย บุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงสเสวงหาทั้งรับภายนอกรับภายในตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ทรงสร้างบารมีอยู่ <c oughs> พระองค์เอาทั้งสองอย่างรัส์สมบัติอัน เป็นส่วนโลกีภายนอกเมื่อได้มามากๆแล้วก็จําแนกแจ ก, กทานไม่หวงเห็นไว้บริโภคเฉพาะตนเท่านั้น <c oughs> สภายในคือความประพฤติสุจริตด้วยกายวาชาใจไม่ทําความชั่วมีมีค่าจัดเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ก็ทำให้คนผู้ดีท้งหลายนั้นเคารพนับถืออยากจะ ค, คบหาสมาคมยอมเป็นบริษัทบริวารดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีบริษัทบริวารมากนี่เพราะว่าพระองค์กระทำความดีโดยกายวาจาใจไม่ทำใครให้เดือดร้อน ดังนั้นเนี่ยก <clears throat> ารรักษาความดีของตนไว้ได้นี้จึงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำโดยแท้จริงถ้าเราไม่รักษากุศลคุณงามความดีไว้แล้วไม่ทราบว่าจะไปรักษาอะไรบ้านี้ลองคิดดูให้ดี รักษาอะไรก็ไม่เท่ารักษาความดีคิดให้มันเห็นก็รักษาใจให้มันดีซะอย่างเดียวอย่างที่ว่ามานั่นแหลมะมันนี้การที่ใจมันจะดีได้ก็เพราะต้องกระทำให้มันถูกแบบถูกแผนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ในเบื้องต้นนี่ก็พยายามเพ่งจิตนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันกล้าหาญให้มันส ง, งบอย่าให้ใจมันอ่อนแอถ้าใจอ่อนแอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ กิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์ดังนั้นอย่าไปย่อท้อการทำความเพียรสมาธิภาวนานี่ถ้าไปเกียรติครานไหวพระภาวนาแล้วคนเราเนี่ยย่อมีจิตใจไม่มั่นคงใจเลื่อนลอยเป็นอย่างนั้นเวลาทำการงานอย่างอื่นอดทอน นักเอาเบาสู้อาบเหงือ่อต่างน้ำก็ยอมบัณฑิมนั่งสมาธิภาวนานี่พอแต่เจ็บปวดหน่อยหนึ่งไม่อดไม่ทนเลยพอแต่เน็ดเหนื่อยนิดหน่อยหนึ่งก็ไม่อดไม่ทนถือว่าเหลือวิสัยแล้วแล้วท่นี้มันจะทำให้จิตใจมันสงบตั้งมั่นลงได้อย่างไรอ่ะ ในเข้าใจ <c oughs> การภาวนานี่แหละเราต้องอดทนยิ่งกว่าการงานอย่างอื่นอธิษฐานใจลงไปว่าเรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วถ้าจิตนี้ไม่สงบเราจกไม่ออกจากสมาธินี่เลยเราตายกับนี้แหละ เกิดมาทั้งทีทําดีไม่ได้ตายดีกว่าเอาตายแรกเอาความดีความสงบมันมันได้แน่นอนเลยแต่ไม่ถึงกับตายเมื่อคนกลัวตายใจมันก็รวมลงได้กว่ น, นี้นะเพราะว่าเราไม่ยอมออกไม่ยอมคลายจากสมาธิเอาจเจ้าจะคิดไปทั่วโลกนี่ก็คิดไป ถ้าจะไม่ออกจากสมาธินี่สู้กันนี่เมื่อมันเจ็บมันปวดมันอะไรเข้ามามากๆเข้ามันทนไม่ไหวมันก็หยุดคิดสงสัยออกไปมันก็รวมลงได้เนี่ยสั จ, จธรรมมันก็ช่วยพยุงคิดใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นลงได้ ถ้าหากว่าไม่มีสัจจะความจริงใจเสียเลยแล้วไม่มีทางนะอะ่าทำใจให้เป็นสมาธิได้มันก็มายากอยู่ที่ตรงสมาธินี่แหละการปฏิบัติทางจิตใจนี่นะในเรื่องปัญญาแล้วไม่มีปัญหาถ้าทำจิตนี้ให้สงบลงได้อย่างสนิทสนมแล้ว ปัญญามันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอุปมาเหมือนอย่างดวงตาของคนเรานี่นะการที่ปล่อยให้ตานี่เกิดมีฝ้าปิดบังหรือมีหรือมีขยะอยากเยอะอะไร เข้ามา <c oughs> ตาที่ยอ่อมมัวไปทีนี้เมื่อเมื่อไปหาหมอแล้วหมอเขาอยาล้างตาออกให้เ <c oughs> มื่อขยาอยากเรียกเลยว่าฝ้าของตามันหลุดออกไปแล้วตาก็ย่อมสว่างสวยมองเห็นอะไรได้ชัดเจน อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อเรามาเพ่งจิตนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้บรรดากิเลสอันที่มันหุ้มหอ่อจิตใจให้มัวหมองนี่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นความรักความวิตกไปในความรักความใคร่อย่างนี้มันก็ระ ง, งับไป เมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วความง่วงเงาหา่าวนอนก็ระงับไปความฟุ้งซ่านของ จ, จิตใจที่ใจมันชอบคิดเลื่อนลอยไป ท, งทางๆนานามันก็ระงับไปความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไนี้มันก็ระงับไป เพราะปัญญามันเกิดขึ้นมันมองเห็น嘛 น, น, นี่มุนคือความสุขใจพูดถึงผลอันนี้นะเมื่อทำใจให้สุขสบายได้นั่นแหละคือบุญนั่นเนี่ยกุศลคือใจฉลาดใจมีปัญญารู้จากความจริงของชีวิตตามเป็นจริง <c oughs> ชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงกูรู้ชัดตามเป็นจริง ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลําบากก็รู้ตามเป็นจริงชีวิตนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่ก็รู้นี่ปัญญาหรือว่ากุศลธรรมเมื่อบังเกิดขึ้นในใจมันทําให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้ มันก็ไม่ถือมั่นเนี่ยเมื่อไม่ถือมั่นในขันห้านี่ความทุกข์ใจก็ไม่มีไอ ใ, ใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันมายึดถือขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เราเป็นอันนั้นเราเป็นอันนี้เอา้าเขาด่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่ชอบเรา คนนั่นเบียดเบียนเราอะไรอย่างนี้พอ น, นึกขึ้นมาแล้วก็ดน้อยใจโกรธคุนเครื่องมนี่เมื่อมันมีเรามีเขาอยู่แล้วมันก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นเลยดังนั้นแหละจงบาเพ็ญกุศลธรรมคือความเฉลียวฉลาดให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ <c oughs> แล้วมันความทุกข์ทางใจนี่มันก็จะน้อย เบาบางออกไปเจาะจากจิตใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้